ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่6ถึงเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของพระภิกษุแล้วก็มีส่วนที่ไปเกี่ยวข้องกับญาติโยมประชาชนโดยเฉพาะก็คือเรื่องอาหารการครบฉันการที่พระสงค์นี้มีชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นฝากท้องไว้กับประชาชน ทีนี้อันนี้มันเกี่ยวข้องกับหลักการของศาสนาก็เลยจะพูดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับประชาชนว่าเออเรานี่ไปเอาจากประชาชนหรือนะมุ่งที่จะไปหาอาหารอะไรต่างๆพึ่งชาวบ้านแต่เมื่อเช้าก็บอกทีนึงแล้วว่าวัตถุประสงค์สำคัญนี้ก็พระสงฆ์นี่ทำประโยชน์แก่ประชาชน แต่นี้หลักการในเรื่องนี้มันโยงกันอย่างไรนี่ที่จะพูดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับประชาชนนี่ก็จะไม่จํากัดแค่กับประชาชนเท่านั้นจะหมายถึงว่าเรื่องหลักการแห่งความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตของพระภิกษุแต่ละรูปกับส่วนรวมซึ่งหมายถึงกับพระด้วยกันด้วยกับประชาชนด้วยกันด้วยเลยจะได้กว้างออกไปไม่ใช่เฉพาะกับประชาชนนี่การสัมพันธ์ กับส่วนรวมนะก็คือชุมชนสงในส่วนของตัวเองแล้ว ก, กับประชาชนในวงกว้างเนี่ยก็คือสมัยปัจจุบันและความสัมพันธ์ทางสังคมใช่ไหมในพุทธศาสนานี่หลักการนี่จะมีนัยยะทางสังคมอยู่ตลอดเวลาซึ่งคนทั่วไปมักจะมองไม่เห็นบางทีมองไปว่าพุทธศาสนานี่เป็นศาสนานที่เอาตัวบุคคลอะไรเงีนะ้เป็นการมองที่ผิดพลาดอย่างยิ่ง แต่ว่านัยยะทางสังคมกับพุทธศาสนาเป็นอย่างไรนะหลักการต่างๆจะมีเรื่องทางสังคมนิซแซกอยู่ตลอดเวลาแม้แต่การพัฒนาตัวของแต่ละคนก็มีเรื่องความหมายทางสังคมแต่นี้ว่าการมองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าวงคนกับสังคมกับพุทธศาสนานี้อาจจะต่างจากวิชาการสมัยใหม่คือาศาสตร์สมัยใหม่นี้เขาเป็นาศาสตร์ที่ชํานาญพิเศษเขาจะแยกเป็นด้านๆเป็นมนุษยาศาสตร์ เรื่องของชีวิตจิตใจเรื่องของคุณค่านะความเป็นมนุษย์ยยอะไรต่างๆมรณคดีปรัชญาอะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็เรื่องสังคมศาสตร์เรื่องของการศึกษาสังคมการที่บุคคลมาเป็นสมาชิกส่วนร่วมสังคมมีความสัมพันธ์กันอยู่ร่วมกันยังไงในเชิงพฤติกรรมต่างๆซึ่งศึกษากันอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ต้องใช้วิธีการวิทยาศาสตร์ศึกษาจึงจะเป็นสังคมศาสตร์ แล้วก็ไปวิทยาศาสตร์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ธรรมชาติาศาตึกษ า, า ค, ความเป็นจริงกฎธรรมชาติในโลกแห่งวัตถุของวิทยาศาสตร์ทั่วไปก็จะไปจำกัดที่โลกวัตถุยังไม่ยังไม่ค่อยเข้ามาสู่ด้านจิตใจนอกจากวิทยาศาสตร์ใหม่ปัจจุบันนี้กำลังก้าวเข้ามาพวกนิวฟิสิก ทีนิสสต์พวกนี้ก็แยกแยกกันไปทีนี้เวลาเขาศึกษาในแง่สังคมเนี่ยมันก็ออกไปทางสังคมศาสตร์สังคมศาสตร์จะมองคนกับสังคมแล้วก็มองคนในฐานะเป็นสมาชิกของสังคมก็จะมีอันหนึ่งที่ไม่รู้ตัวก็คือแยกคนออกจากธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวเลยเพราะเป็นศาสตร์ชํานาญพิเศษทีนี้พุทธศาสนานี่มองคนเนี่ยไม่แยกจากธรรมชาติอันนี้เป็นฐานที่สําคัญมาก เพราะว่าพุทธเจ้หนานี่มองคนนี่เป็นสองด้านคนนั้นในเวลาเดียวกันเขาเป็นทั้งสองอย่างหรือจะเรียกก็เป็นสองด้านก็นได้ด้านหนึ่งนั้นโดยพื้นฐานชีวิตของเขาเป็นธรรมชาตินี่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ชีวิตของแต่ละคนเนี่ยเป็นธรรมชาติอยู่ในตัวเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมีความเป็นไปตามธรรมชาติใครจะไปค้านอันนี้ได้ใช่ไหม เกิดแก่เจ็บตายร่างกายเขาเรามาจากธรรมชาติเท่านั้นนี่คนแต่ละคนด้านหนึ่งของเขาเนี่ยชีวิตของเขาเป็นส่วนของธรรมชาติพร้อมกันนั้นอีกด้านหนึ่งคนเดียวกันเนี่ยเขาเป็นสมาชิกของสังคมใชม่เขาเป็นทั้งชีวิตในธรรมชาติเป็นทั้งบุคคลที่เป็นสมาชิกของสังคมทีนี้เราจะไปแยกคน ที่เป็นบุคคลออกจากชีวิตที่เป็นส่วนของธรรมชาติไม่มีทางเป็นไปได้แต่ศาสตร์ปัจจุบันนี้ไปศึกษาโดยเอาเรื่องของบุคคลที่เป็นสมาชิกของบุคคลศึกษาแยกขาดไปเลยทรานั้นแนวโน้มก็จะเป็นเรื่องของการที่ควาใจผิดต่างๆฉันมองว่าคนนี้เป็นผลผลิตของสังคมสังคมหล่อหลอมอย่างนี้เป็นต้น มีความเป็นจริงมากที่ว่าคนนีเป็นผลผลิตของสังคมสังคมหล่อหลอมเป็นปัจจัยนะ่คนเรานี่อยู่ใต้อิทธิพลวัฒนธรรมนะี่สิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ค่านิยมอะไรต่างๆนี่เป็นไปมากแต่ว่าพร้อมกันนั้นคนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติถ้าคนนั้นมีปัญญาเข้าถึงความจริงของธรรมชาตนะิเขาเป็นอิสระจากสังคมเลย ความรู้ความจริงของธรรมชาตินั้นไม่มีทางที่สังคมจะมามีอิทธิพลได้ใช่ไหมนี่เมื่อเขาเข้าถึงความจริงของธรรมชาตินี้แหละเขากลับมาเป็นตัวที่กลับมาผันแปรสังคมอีกที่จะมาสามารถที่จะเข้าใจสังคมและมาวินิจฉัยสังคมแม้แต่มาจัดการเปลี่ยนแปลงสังคมแก้ไขสังคมให้ดําเนินไปในทางที่ถูกต้องถ้าสังคมนี้ทําให้มนุษย์สังคม ซึ่งหมายถึงมนุษย์ต่างๆทัง้ ง, งหลายเนี่ยแยกตัวออกจากธรรมชาติเนี่ยก็สามไม่สามารถเข้าถึงความจริงของธรรมชาติสังคมนั้นจะวิปริตแปรผลได้โดยง่ายนะเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยเป็นตัวกลางแต่ละคนนี้เป็นตัวกลางตัวเองเนั้นเชื่อมระหว่างธรรมชาติกับสังคมตัวเองในฐานะเป็นชีวิตนะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติในฐานะที่เป็นบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เพราะนั้นคนนี้เป็นสองอย่างในเวลาเดียวกันเชื่อมสังคมกับธรรมชาติเขาหากันพุทธศาสนาไม่ทิ้งในส่วนที่เป็นธรรมชาติจะถือหลักการว่าต้องเข้าถึงความจริงของธรรมชาติอยู่ตลอดเวลานและชีวิตทางสังคมเขาจึงจะดีได้ใช่ไหแล้วเขาก็จะไม่เสียหลักไม่เขวะไม่เฉี่ยไฉออกไปแต่ว่าพุทธศาสนาก็ระวังว่า เดี๋ยวคนจะปลีกตัวออกจากสังคมก็มีลทัทธิในสมัยโบราณในสมัยพุทธกาลเนี่ยมากมาย ก, ก่อนพุทธกาลคนก็จะมีสองพวกพวกหนึ่งก็ไหลไปตามกระแสสังคมไปตามค่านิยมการลหลงไหลในวัตถุห a สิ่งเสพบำรุงบำเรอไปพวกนั้งเนี่ยก็พวกการสุ ข, ขาัิการนยิยมก็มีความหมายเชิงที่ไหลาตามกระแสสังคมด้วยอีกพวกหนึ่งก็เบื่อกระแสสังคมเหล่านี้ใช่ไหมเห็นว่าไม่มีความหมายไม่มีคุณค่าไม่มีความสุขที่แท้ จ, จริง ก็เบื่อหน่ายสังคมก็ละทิ้งปรีกตัวจากสังคมไปอยู่ตา ก, กับธรรมชาติอยู่ตามธรรมชาติไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครไปเป็นฤูษีชฉีไพร์นี่พอเป็นเป็นลูีชฉีไพรแกไม่ยุ่งแล้วก็ตัดขาดจากสังคมเลยแกก็กินเผือกกินมันบางลัที่นี่ถือขนาดที่บอกว่าต้องเก็บแต่ผลไม้ที่หล่นเองกินถ้ามันยังอยู่บนต้นไม่เก็บ ใช่ไหมต้องตกแล้วจึงจะเก็บแต่รวมความก็คือว่าไปหากินเองนี่พวกนี้จะไม่เอาเรื่องกับสังคมเลยก็ไปบำเพ็ญฌานทําสมาธิภาวนาให้มีความสุขทั้ง จ, จิตใจนะพอเป็นฤาษีประสบความสาเร็จในสมาธิขั้นสูงได้ฌานสมาบัติก็เล่นฌานฉั น, เ, นาาเรียกว่าฌานกีฬามีศัพท์หรือเป่าฌานกีฬาเล่นฌานก็สนุกก็ฌานสบายมีความสุขไปทั้งวันไม่ต้องอยุ่งเกี่ยวกับใครโลกนี้จะเป็นไงก็ช่างมัน นี่ ล, ลัทธิฤทษีชีพไพรบางคนไม่เข้าใจนึก็พุทธศาสนานี่เป็นอย่างเดียวกับ ล, ลัทธิฤิธีชีพไพรแยกไม่ออกพระพุทธเจ้านี่ให้หลักการในทางธรรมะแล้วยังไม่พอวินัยนีบน้บัญญัติบังคับเลยไม่ให้พระสงฆ์นี่แยกจากสังคมเพราะนั้นวินัยจึงบัญญัติให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพระปัจจัยสี่ เรื่องชีวิต ท, ทางวัตถุนี้มอบไว้กับประชาชนใช่ไหมทงนี้เพื่อไม่ให้พระเนี่ยปลีกตัวตัดขาดจากสังคมได้แม้แต่จะไปอยู่ป่าก็ต้องอยู่ป่ามีเขตลึกแค่เท่านั้นเท่านี้ไม่พ้นจากเขตที่จะมาบินทบทัตมาพบปะกับประชาชนได้ก็ในแง่ของพฤติกรรมภายนอกก็จะกลายเป็นว่า พุทธศาสนาเนี่ยมีความยืดหยุ่นจะมีหลักการที่ว่าหนึ่งไม่ให้ตัดขาดจากสังคมโดยสิ้นเชิงอย่างน้อยต้องมีความสัมพันธ์บ้างนะว่าได้พบประชาชนชาวบ้านอย่างน้อยวันละครั้งแม้ไม่พูดจาอะไรก็ให้มาพบปะการแต่ปกติการบาบินตบ่าก็คือโอกาสได้พบปะปราศัยได้พูดจาสมัยก่อนนี้ที่พระพุทธเจ้า สเสด็จจาริกไปก็เวลาไปบินตา บ, บาตนั่นแหละคือเวลาที่เขาเรียกว่าไปโปรดสัตว์ก็คือไปเทศนะพระสมัยก่อนในสมัยพุทธกาลก็ไปเทศเวลาที่ท่านไปบินต บ, บาตเพราะการบินต บ, บาทไม่ได้ไปกิจหน้าที่ต่างหากเป็นเพียงว่าท่านจะออกไปปฏิบัติกิจท่านจะจาริกเดินทางไปแต่ว่าท่านต้องอาศัยอาหารด้วยระหว่างที่ออกไปแต่เช้านะก็เป็นเวลาระหว่างอาหาร อันนั้นก็ถือโอกาสก็เอาบาตรติดตัวไปด้วยเป็นของบริขารประจําตัวเมื่อได้อาหารมีโอกาสแวะที่ไหนก็ฉันไปการฉันอาหารเนี่ยไม่ใช่เป็นกิจที่ทําพิเศษแต่เป็นเรื่องพ่วงไปกับการทํางานกับชีวิตของท่านที่จาริกใช่ไหมพอตื่นเช้าออกไปก็ถือบาตรคลองจีวรออกไปนะ่ยไปทํากิจหน้าที่มุ่งไปแล้วพระพุทธเจ้านี่ทรงพิจารณาก่อนแล้ววันนี้จะไปโปรดใครใช่ไหมก็มุ่งไปที่นั่นระหว่างทางก็ ก็ต้องอาศัยอาหารนี่อยู่ในเวลาต้องฉันภายในเวลาก็มีใครถวายก็ได้ที่เหมาะก็อาจจะเป็นโคนไม้ก็ไปประทับนั่งฉันใช่หฉันเสร็จแล้วก็เดินทางต่อไปไปจุดหมายที่ไปเทศบางทีก็การไปรับบิณฑ บ, บาตนั่นแหละคือโอกาสที่ได้เทศก็พูดกับคนที่เขาถวายอาหารพระภิกษุในสมัยก่อนยุคพุทธกาลก็จะเป็นอย่างนี้มาในสังคมไทยแล้วเนี่ยเมื่อชาวพุทธ เมื่อคนไทยเป็นชาวพูดกันทั่วไปแล้วการที่จะต้องไปแนะนําสั่งสอนอีกมันก็เลยเหมือนกับไม่มีความจําเป็นนะเขาอยากจะเขาเป็นชาวพูดอยู่แล้วรู้ธรรมระพอสมควรอยู่แล้วเขาต้องการมีอยากจะคลายสงสัยเรื่องไหนเขาก็มาหาพระที่วัดอะไรก็ได้นั้นก็เลยพระก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องไปเที่ยวจาริกสั่งสอนก็เลยกลายเป็นออกไปพบชาวบ้านคลนะ้ายๆตอนนี้พระมาตั้งหลักอยู่วัดแล้วไม่ต้องออกไปหาประชาชนเพื่อสอนเขา ถ้าเขามาหาพระที่วัดแต่ทีนี้ก็เพื่อจะให้มันมีกิจวัตรเป็นไปได้ดีเพราะว่าพิชิติ์พระพุทธเจ้าก็อนุญาตว่าคขารืงบดีเขาถวายอาหารเข้ามาถวายที่วัดก็ได้แต่นี้เพื่อรักษากิจวัตรนะให้เป็นธรรมเนียมไว้ก็ให้พระได้ออกไปจาริกพบประชาชนบ้างแต่ก็กลายไปว่าจาริกไปออกเช้าไปบินตาบาดเพียงเพื่อไปรับอาหารใช่ไหมมันก็เลยกลายไปว่าคำว่าปโปรดจัดมีความหมายแคบไปรับอาหาร ความจริงโปรดสัตว์ก็คือการที่ท่านไปเทศไปทำหน้าที่ไปสั่งสอนและเรื่องรับอาหารก็เป็นเรื่องส่วนประกอบไปในชีวิตของท่านเอาละแต่รวมความก็คือว่าเนี่ยชีวิตของพระก็ไม่ให้ตัดขาดจากประชาชนเดียวมีพระวินัยบัญญัติไว้ว่าให้ปัจจัยสีนี้ต้องเนื่องด้วยประชาช น, นจะไปเที่ยวเก็บอาหารกินเองไปเที่ยวเก็บผกเก็บมันเก็บผลไม้หล่นอย่าง ละที่ฤษีจีไพรไม่ได้นีอันนี้นี่อย่างอย่างน้อยก็เป็ว่าต้องได้พบบ้างโดยวิถีชีวิตที่วินัยบังคับไว้ทีนี้อย่างมากก็มีขอเขตว่าไม่ให้คลุกคลีนะเมื่อสัมผันธ์กับชาวบ้านนี่ยอย่ากลายเป็นคลุกคลีกับขรือหัดหมว้วนสมนั่นเองภาษาปัจจุบันนี่ไปม่วนกับชาวบ้านนี่ไม่ได้ ท่านบอกเขาสุกกระสุกด้วยเขาร้องไห้ก็ร้องไห้ด้วยเขาร้องเขารอ้ารอด้วยหมายความว่าไปสวนเสฮิหาสนุกสนานหม่วสมการคลุกคลีกันอย่างนั้นไม่ได้แม้แต่ว่าเขาทุกทุกร้องไห้อา้าแล้วก็ประชาชนก็ไม่มีหลักสินะพระนี่ครจะเป็นหลักเวลาเขาทุกพระจะได้ปลอบโยนนะให้หลักแก้ปัญหาแก้ความเศร้าโศกใช่ไหมไม่ใช่เขาเศร้ากับตัวเองก็เศร้าก็หมดคนที่จะมาช่วยแล้วใช่ไหม เพราะฉะนั้นพระจะต้องเป็นหลักให้กับประชาชนก็มีขอบเขตว่าอย่างน้อยไม่ให้ตัดขาดไปเลยอย่างมากก็อย่าไปสวดโมดสุมต้องให้เป็นหลักแก่สังคมนะส่วนในระหว่างนี้ท่านให้โอกาสแล้วกับความถนัดอัธยาศัยนะแม้แต่เป็นพระอรหันต์แล้วก็มีแนวโน้มอัธยาศัยถนัดไม่เหมือนกันบางท่านที่ท่านชอบอยู่เงีย บ, งยบสงบท่านก็มาพบกับชาวบ้านแค่ตามวินัยบัญญัตินะ แล้วก็ชีวิตส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ปลีกตัวเนะีเช่นอย่างมหากัรสปะนี่อยู่ป่าเป็นวัดแต่ท่านก็ต้องดูแลรับผิดชอบหมู่คณะก็คือสงฆ์ท่านถึงไงก็ไม่พ้นแล้วสงฆ์ท่านก็ต้องอยู่ด้วยประชาชนน่ยตัดไม่ได้ทีนี้พระเถระบางรูปอย่างพระสารีบุตรเนี่ยอยู่ในเมืองแทบตลอดเลยใช่ไหมเป็นอัครสาวกด้วยทํางานใกล้ชิดพระพุทธเจ้าแล้วก็สั่งสอนประชาชนมากเนะีเอาใจใส่เด็กๆ ท่านไปเอาพวกเด็กๆเนี่ยมาบวชเนนเนรเนรเล็กๆเนี่ยเป็นลูกศิษย์พระศาริบุตรเท่านั้นน่ะเนที่มีชื่อเสียงเป็นวีระวีระเนรนะวีรสามะเนรมีเรื่องมาในอัตถิฐาธรำมบทหลายองค์นะล้วนแต่เป็นลูกศิษย์พระสาริบุตรหมดเลยเพราะภาษาลิบุตรนี่ท่านเอาใจใส่เรื่องเด็กๆนะท่านไปเจอเด็กกำพร้าเด็กขอทานยากจนท่านก็ไปชวนมาบวชนะ และให้การศึกษาฝึกอบรมนี่ภาษาลิบฉทนั้นเนรของท่านเนี่ยเจ็ดขวบบรรลุพระรหัสหลายองค์เป็นวีรสามเนรเก่งมีเรื่องมาในอนธิกถาธรรมบทเนี่ยอันนี้ก็เพื่อจะกระตุ้นปลูกใจพวกเด็กๆให้เข้มแข็งให้มีแบบอย่างของเนรเนรที่เก่งๆนนอันนี้ เนี่ยก็เป็นตัวอย่างแปว่าพระเถระทั้งหลายนี่ก็มีอัจยาศสัยมีความถนัดไม่เหมือนกันก็อยู่ในขอบเขต ส, สองปลายเนี่ยอย่างน้อยสุดอย่างมากสุดในระหว่างนี้ก็ยืดหยุ่นอันนี้ชุมชนสงฆ์ก็เท่ากับว่าเป็นที่ดํารงรักษาไว้ซึ่งธรรมะให้กับสังคมใช่ไหมทั้งตัวบุคคลที่จะเป็นแบบอย่างด้วยแล้วรักษาตัวหลักธรรมคาสอน รักษาความรู้เข้าใจในสัจธรรมหลักความจริงความถูกต้องดีงามเอาไว้ให้แก่สังคมต่อไปนะแล้วก็เป็นแหล่งที่จะได้พัฒนาชีวิตของคนไปด้วยนี่ด้านที่เกี่ยวกับประชาชนทีนี้อีกด้านหนึ่งก็คือชีวิตพระกับพระสงฆ์ด้วยกันพรธเจ้าตั้งสงสังฆะขึ้นมานี่ก็คือชีวิตหมู่ใช่มอันนี้ พระพิสูุนก็มีความผูกพันอยู่กันเป็นชุมชนไม่ได้อยู่เป็นส่วนตัวพระในพุทธศาสนานี้อยู่เป็นชุมชนอยู่เป็นหมู่แล้วต้องมีความรับผิดชอบต่อกันต้องมีความรับผิดชอบต่อหมู่คณะของตนเองนะเพราะว่าพระเจ้าบัญญัติว่ามีกิจอะไรที่เกิดขึ้นต้องมาร่วมกันทำํำจะมีสมาชิกใหม่บวชต้องประชุมและนะเป็นสังฆกรรมกรรมของสงฆ์ของหมู่คณะร่วมกันอย่างน้อยสี่รูปจึงจะเป็นสงฆ์ได้ บางสังกกรรมอย่างกรถินนี้ต้องหรูปขึ้นไปสังกกรรมบางชนิดต้อง10รูปขึ้นไปอย่างบวชพระในถิ่นที่เจริญนะสังกกรรมมีถึง20่สิรูปขึ้นไปก็มีก็กําหนดว่าอย่างไหนองค์ประชุมนั่นเององค์ประชุมอย่างต่ำที่สุด4องค์บางชนิดต้อง5องค์บางชนิด10องค์บางชนิด20องค์อันนี้ก็เป็นชีวิตของการทํากิจกรรมร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันนะเพราะนั้นเวลามีผู้จะมาสมัครบวชใหม่ ก็คือรับสมาชิกใหม่ผู้ที่เกี่ยวข้องในวัดนั้นก็จะต้องมาประชุมร่วมกันเพื่อจะมาพิจารณาว่าเราจะรับบุคคลใหม่นี้เข้ามาหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นนะสังกกรรอะไรเยอะแยะไปหมดนะก็ถือว่าชีวิตของพระสงฆ์นี่อยู่ด้วยการรับผิดชอบร่วมกันทุกคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสงฆ์ถือหลักว่าสงฆ์เป็นใหญ่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเมื่อสงฆ์เติบขยายโตขึ้น เราก็เคารพส่งว่างั้นนะคือตอนแรกพระพุทธเจ้าปฏิสถานพระาศาสนาคนพบธรรมะใช่ไหมก็สั่งสอนไปพระองค์ก็ต้องเป็นเป็นผู้มีอำนาจเพราะเป็นผู้ประกาศจัดตั้งจะเอาอย่างไรงไงวางแผนดำเนินการเพื่อให้กิจการดำเนินไปพระาศาสนาจเจริญทีนี้พอมีผู้มาบวชตามก็ตั้งเป็นสังฆ ข, ขึ้นมาพระองค์ก็บัญญัติให้สังฆเป็นใหญ่ เป็นใหญ่ในกิจกรรมต่า ง, างๆใช่ไหมให้ทุกอย่างว่ากันด้วยวินัยวินิจฉัยกันด้วยที่ประชุมสงฆ์ต่อมาพระองค์ก็มอบอานาจให้สงฆนะ์พระองค์เคารพธรรมถือหลักความจริงความถูกต้องเป็นใหญ่เสร็จแล้วพระองค์ก็บอกเมื่อสงฆ์ใหญ่ขึ้นเราก็เคารพสงฆ์มอบอานาจให้สงฆ์การบวชแต่ก่อนนี้พระองค์บวชเองต่อมาพระองค์ก็มอบให้สงฆ์บวชนะเข้าที่ประชุมสงฆ์นี่เพราะนั้นถือหลักเลยว่าพระต้องเคารพสงฆ์ถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นใหญ่ แม้แต่พระอาหารหันต์จะเข้านิโรธสมาบัติซึ่งถือว่าเป็นสมาบัติชั้นสูงสุดเนต้องผู้เป็นอนาคาเมียาอรหันต์จึงจะเข้านิโรธสมาบัติได้สิ่งหนึ่งที่ผู้เข้านิโรธสมาบัติจะต้องคํานึงไว้เพราะ ท, า ท, าาท่านเข้านี้ท่านเข้าเจ็ดวันเลยก็คือว่าจะต้องคํานึงถึงกิจของสงฆ์ว่าถ้าสงฆ์เรียกตัวเมื่อไรต้องไปทันทีแม้แต่ในระหว่างอยู่นิโรธสมาบัติเจ็ดวัน พระที่เข้านิโรธพระพวกเข้าสมาธิเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าไม่มีสติลงไม่รู้เรื่องนะฮนะเป็นผู้มีสติพร้อมทันทีเมื่อสงเรียกตัวเมื่อไหร่ก็รับรู้ไปทันทีนะถือสงเป็นใหญ่อย่างนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นชีวิตที่เป็นบุคคลเนี่ยในแง่หนึ่งก็มีความรับผิดชอบตัวตั ว, ตวเอง มนุษย์แต่ละคนหรือบุคคลแต่ละคนมีชีวิตของตัวเองที่ต้องรับผิดชอบต่อความจริงของธรรมชาติใช่ไหมในแง่นี้แต่ละคนรับผิดชอบต่อความจริงของธรรมชาตินี่คือชีวิตส่วนตัวแต่ละคนรับผิดชอบต่อธรรมชาติอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เช่นกฎแห่งกรรมในแง่ของธรรมชาตินะเหตุดีผลดีอะไรต่างๆเราเนี่ยเจตจำนงของเราเป็นยังไงรับผลแห่งเจตจำนงของเราที่เป็นกฎธรรมชาติแต่ละคนรับผิดชอบต่อกรรมของตัวเอง อันนี้เรียกว่ารับผิดชอบตามกฎธรรมชาติแต่กด้านหนึ่งคือในฐานะเป็นบุคคล ร, รับผิดชอบต่อสงฆ์สงฆ์ก็จะมีกรรมที่เป็นของสมมติของสงฆ์ขึ้นมานะกรรมจะมีสงแบบกรรมแบบธรรมชาติที่เป็นกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งกับกรรมที่เป็นของสมมติที่พระพุทธเจ้าบัญญัติสําหรับการมีชีวิตร่วมกันนะในกรณีที่เป็นกรรมของสงฆนะ์เช่นเป็นสังฆกรรม หรือเป็นการลงโทษเช่ น, นิกขกรรมเป็นชื่ออุเขปนิยกรรมปฏิสารนิยกรรมนี้เป็นชื่อกรรมของสงฆ์นะซึ่งใช้ลงโทษพระเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นในกรณีนี้ถ้ามีพระทำความผิดไม่รอกรรมตามกฎธรรมชาติสงฆ์จัดการทันทีเพราะฉะนั้นมีคนมาพูดบอกว่านั e er, ้นทําความผิดก็ปล่อยท่านก็นับพ้นกรรมไปเองนี่แสดงไม่รู้หลักพระศาสนานะทางสงฆ์นี่ไม่มีรอ เมื่อพระตามความผิดนี่เป็นกรรมของสงตามวินัยจัดการเลยใช่ั้ยเพราะว่าสงมีกรรมของสงที่จะทำไม่ต้องไปรอ ก, กรรมของธรรมชาติและเมื่อสงทํากรรมที่เป็นของสงตามสมมติก็คือเราเนี่ยเอากฎธรรมชาติมาใช้ประโยชน์คนที่ปล่อยไปตามกรรมก็แสดงไม่รู้จักใช้กฎธรรมชาติฝึกหัดพัฒนาคนอะไรต่างๆนี้ก็คือการรู้จักเอากฎธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ เอาความรู้ในกฎธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ๆๆเพื่อจะเอาตัวเรานี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยในกฎธรรมชาติไงเราใช่ไหมแต่เป็นปัจจัยในทางที่ดีเพื่อห น, นุนให้กระบวนการเหตุปัจจัยในธรรมชาติเป็นไปนในทางที่ได้ผลดีสมความต้องการของมนุษย์เพราะนุษย์มีปัญญานี่มีจุดมุ่งหมายที่จะตั้งขึ้นไม่ต้องยอรอปล่อยไปตามให้ธรรมชาติเป็นไปยังไงใช่ไหมมนุษย์มีปัญญาเราสามารถเอาปัญญาของเรามาเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในธรรมชาติ แล้วก็ทําเอาการกระทําของเรานี้เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในกระบวนการธรรมชาติทําให้กิจการต่างๆแม้แต่ของสังคมนี้ดําเนินไปตามกฎธรรมชาติยังได้ผลดีแก่หมู่มนุษย์ใช่ไหมนี่แหละตอนนี้เป็นการสัมพันธ์กันระหว่างส่วนของธรรมชาติกับสังคมว่าเรื่องกรรมโดยพื้นฐานแล้วเป็นกฎธรรมชาติเรื่องของชีวิตแต่ละคนที่ต้องรับผิดชอบ ตามกระบวนการของเจตจานงในตัวเองเป็นส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยรับผิดชอบชีวิตของตนตามกฎธรรมชาตินี่เป็นความรับผิดชอบตัวเองตามกฎธรรมชาติเรียกว่าธรรมะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมองในแง่ธรร ม, มะเนี่ยคนจะรับผิดชอบตัวเองแต่ถ้ามองในแง่วินยัยคือการที่พระเจ้ามาจัดตั้งวางระบบในสังคมมนุษย์แล้วซึ่งเป็นล่วงสมมติเนี่ยก็กลายไปว่า คนแต่ละคนหรือบุคคลรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อกิจกรรมต่างๆที่จัดตั้งวางระบบขึ้นมาเ <c oughs> พราะนั้นพระพุทธเจ้าก็จัดให้มีกรรมที่เป็นของสมุดสําหรับสงฆ์ในตามวินยัยหรือว่าใช้จัดการกับพระภิกษุได้เลยสังฆกรรมต่างๆมีมากมายอย่างที่กล่าวเมื่อกี้แล้วรวมทั้งกรรมในการลงโทษที่บอกว่าเมื่อมีพระภิกษุทําความผิด ก็ไม่ต้องไปรอปล่อยให้เป็นกรรมของกฎธรรมชาติให้เขารับผลกรรมอย่างนี้แสดงคนนั้นไม่รู้ไม่เข้าใจหลักพุทธศาสนาเนีพราะมนุษย์มีปัญญามากกว่า น, นั้นมีปัญญาที่รู้จักเอาความรู้ในกฎธรรมชาติมาใช้ประโยชน์นไม่ต้องรอให้เป็นไปตามกฎธรรมชาติแต่ว่าเราสามารถเข้าไปเป็นส่วนร่วมในกฎธรรมชาติซะเลยเนเข้าไปเป็นเหตุปัจจัยในกฎบุญการกฎธรรมชาติ ปัญญาของเราก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในกระบวนการกฎธรรมชาติปัญญาที่เอาความรู้ในกฎธรรมชาติมาใช้ประโยชน์จัดระบบสังคมมาจัดตั้งวางระบบทํากิจการส่วนรวมนี่ก็คือการที่เข้าไปเป็นส่วนร่วมในกระบวนการของเหตุปัจจัยในธรรมชาตินั่นเองแต่เป็นความฉลาดของมนุษย์ใช่ไหมแล้วก็ทําให้มนุษย์นี่สามารถได้รับผลดีจากกฎธรรมชาตินั้นทั้งในระดับบุคคลและในระดับสังคมเลยเราก็สามารถที่จะพัฒนา ตัวเราพัฒนาสังคมให้เป็นไปได้ดีได้แต่ต้องโยงถึงกฎธรรมชาติตลอดเวลาอันนั้นอันนี้ที่สําคัญก็คือว่าต้องโยงได้3ด้านธรรมชาติคนสังคมต้องถึงกันหมดใช่ไหมแล้วคนนี่เป็นศูนย์กลางอย่างที่ว่าเมื่อกี้เพราะคนนี้เข้าถึงธรรมชาติด้วยแล้วก็มาเป็นส่วนร่วมในสังคมด้วยใช่ไหมนี่การที่เขาตัวคนเนี่ยเข้าถึงความจริงของกฎธรรมชาตินั่นคือหัวใจของการที่เขาจะมาสร้างสารรค์สังคมได้ ถ้าตอนนี้มนุษย์ไม่เข้าใจนี้เอาไปแยกคนกับสังคมจบที่นั่นเลยเพราะนั้นศาสตร์ปัจจุบันของฝรั่งจึงเรียกว่าเป็นพวกร e d u c t i o n i s ซพวกแยกส่วนนะพวกแบ่งซอยเสร็จแล้วพอแบ่งซอยไปแล้วโยงไม่ได้ใช่ไหมตันตรงเนี้ยนะก็มองในแง่คนเป็นผลผ ล, ลิตของสังคมสังคมหล่อล้อมคนท่าเดียวอย่างนี้เป็นต้นบางคนก็ไปอย่างนั้นนะ ถ้าคนที่เข้าถึงกฎธรรมชาติแล้วนี่เขาเป็นอิสระจากสังคมได้เลยแล้วเขากลับมาเอาความรู้ในกฎธรรมชาตินี่มาใช้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดขยายออกไปว่าการมองเรื่องนี้ที่สำคัญมากเพราะนั้นพุทธศาสนาแม้จะให้ความสำคัญแก่สังคมก็จะต้องโยงเข้าถึงกฎธรรมชาติตลอดเวลานีแล้วชีวิตมนุษย์ที่ดีนั้นในที่สุดมันเป็นชีวิตของเขาเองซึ่งเป็น พื้นฐานก็คือเป็นของธรรมชาติใช่ไหมไม่มีใครปฏิเสธได้ถ้าเขาไม่สามารถเอาประโยชน์จากความจริงในกฎธรรมชาติทําให้ชีวิตที่อยู่ในธรรมชาตินี่เข้าถึงประโยชน์ที่แท้จริงแล้วเนี่ยไม่มีทางที่ชีวิตจะสมบูรณ์นะไม่ว่าเขาจะไปเป็นส่วนร่วมในสังคมอย่างไรก็าตามนะนนี่อา้าวก็มาดูว่าในแง่ของชีวิตที่อยู่ในหมู่สงฆ์ด้วยกันเองเนี่ยเป็นพระภิกษุด้วยกันเอง พระเจ้าก็จะบัญญัติอย่างที่ว่าเมื่อกี้มีการรับผิดชอบต่อกิจกรรมของส่วนรวมเมื่อมีงานส่วนรวมก็ต้องมาร่วมกันใช่ไหมแล้วก็อย่างน้อยสิบห้าวันครั้งนึงจะต้องมาร่วมประชุมกันใช่ไหมที่ว่ามีการสวดปฏิโมกมาซักซ้อมทบทวนเรื่องของระเบียบแบบแผน ก, กฎกติกาของชุมชนของเราเพื่อจะให้ชุมชนของเราหรือสงเนี่ยดํารงอยู่ได้ดีนะ ไม่ผิดพลาดออกไปะจะหลักการนะคุมกันอยู่เรื่อยไปอันนี้ก็เป็นอันว่าชีวิตของพระนี่มีความสัมพันธ์ทางสังคมกับส่วนรวมไม่ว่าจะมองในแง่ของในหมู่สงฆ์ด้วยกันเองก็ตามหรือในแง่ความสัมพันธ์กับประชาชนก็ตามนะทีนี้ในการสัมพันธ์กับประชาชนนั้นทําไมพระพเจ้าให้ผูกพันชีวิตไว้กับประชาชน อันนี้ก็เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกันนะเพราะว่าพระนั้นเป็นตัวอย่างบุคคลที่ต้องการพัฒนาชีวิตขึ้นไปมีความตั้งใจเอาจริง อ, อกจังใช่แล้วก็เข้าถึงตัวธรรมะก็คือความจริงของกฎธรรมชาติสามารถเอาความจริงในกฎธรรมชาติมาใช้ประโยชน์กับชีวิตเมื่อได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ตัวเองแล้วก็น่าจะเอาประสบการณ์นี้มาเผื่อแผ่ให้แก่ประชาชนนะ การเผื่อแผ่กับประชาชนก็โดยที่มีการพบปะกันนะแล้วก็ได้ทักทายปราศัยอย่างน้อยแม้แต่การเห็นบุคคลที่ได้บรรลุธรรมได้ประโยชน์จากธรรมะมีชีวิตจิตใจที่ปลอดโปร่งผ่องใสบริสุทธิ์มันก็เป็นความดีงามเป็นแบบอย่างเป็นเครื่องเตือนสติแก่หมู่มนุษย์เหล่าเนี้ที่มัมแวแต่ลุ่มหลงอะไรแต่ไเออพอเห็นอย่างนี้ก็ตือนสติขึ้นมาสักทีใช่ไหมว่าชีวิตที่ดีงามเป็นอย่างนี้เราไม่จําเป็นจะต้องมัวหวัง ควสุขจากการเสพวัตถุกเกินไปหรือหลงและเลงวันนี้ไม่เคยเห็นโทษก็อาจจะเห็นโทษว่าที่ตัวทมนั้นมันไม่ถูกต้องนะชีวิตที่ดีงามควรจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหรืออย่างน้อยอีกด้านหนึ่งที่ควรจะมีอันนั้นการที่พระธเจ้าบัญญัติให้พระสงฆ์ต้องฝากชีวิตไว้กับประชาชนก็เป็นการผูกพันไม่ให้พระเนี่ยจะหลบออกไปเลี่ยออกไปได้เพราะอะไรเรามามองดูว่าธรรมดาคนเราเนี่ยนะที่เรามาอยู่ในสังคมเนี่ย เราเรียกก็เป็นสัตว์สังคมเลยต่างๆคนต่างๆส่วนมากที่อยู่ในสังคมเนี่ยเขาอยู่ในสังคมเพราะเขายังต้องอาศัยสังคมเขายังหวังประโยชน์จากสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อตัวเขานะ่ใช่มอะลองนึกดูสิผู้คนที่อยู่ในสังคมเนี่ยเขาพึ่งพาผู้อื่นเขาหวังประโยชน์จากคนอื่นจะเอาจะได้จากคนอื่นนแล้วเขาก็คิดในทางที่จะได้จะเอามากด้วย ทีนี้คนพวกเนี้เพราะเกิดว่าเบื่อสังคมไม่อยากเอาเอะไรจากสังคมตัวเองก็ไม่ต้องพึ่งคนอื่นก็จะเป็นไปในทางตรงข้ามคือมีความโน้มเองที่จะปลีกตัวไม่เอาเรื่องเอาราวกับชาวบ้านมายุ่งเกี่ยวกับใครแล้วไปเป็นฤูซี่ยงังไะใช่มัพราะนั้นคนที่ว่าพึ่งสังคมจะเอาจากสังคมน้อยพอไม่ต้องเอาจากสังคมไม่ต้องพึ่งสังคมก็ กลายเป็นว่าฉันก็เลยไปอยู่คนเดียวหาความสุขของตัวเองเนยอย่างฤษีชีปลายพวกนี้ก็แค่ว่าชีวิตเขาก็เป็นอิสระจากสังคมพอสคมควรแล้เขาไม่หวังไอความสุขที่จะต้องได้จากสังคมใช่ไหมเพราะเขาสามารถอยู่คนเดียวปรีกตัวหาความสุขทางจิตใจคนพวกนี้ก็โน้มไปทางไม่เอาเรื่องกับสังคมทีนี้คนที่เราต้องการให้มาอยู่กับสังคมเนี่ยที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็คือคนที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยเอาจากสังคมนี่แหละ แต่สามารถเอื้อประโยชน์กับสังคมได้เต็มที่ใช่ไหมคนอย่างนี้สิที่เราต้องการให้เขามาสัมพันธ์กับสังคมแล้วคนพวกนี้พอมีโอกาสกลับหลบสังคมไม่เอาเรื่องใช่ไหมทีนี้พุทธศาสนานี่ท่านให้เราพัฒนาชีวิตที่เป็นอิสระจากสังคมได้มากที่สุดแต่เสร็จแล้วท่านไม่ยอมท่านให้พึ่งสังคมใช่ไหมก็คือพระนี่ คล้ายๆว่าตัวเองนี่ก็พัฒนาทางด้านจิตใจจนกระทั่งมีความสุขในตนเองเมื่อมีความสุขของตนเองภายในเป็นอิสระก็ไม่ต้องขึ้นต่อความสุขภายนอกก็เหมือนฤษีชีพลายอย่างนี้เป็นต้นก็มีความน้มเองได้ที่จะแยกปลีกตัวไปตัดขาดจากสังคมนี้ว่าถ้าเรามองคติอย่างที่พุทธศาสนาบอกก็คือว่าเราต้องการให้คนแบบเนี้ยที่เป็นอิสระไม่ต้องเอาจากสังคมแล้วเนี่ยกลับมา เอื้อประโยชน์ต่อสังคมมาสัมพันธ์กับสังคมแล้วจะเป็นความสัาพันธที่เป็นประโยชน์แก่หมู่ชนแก่สังคมมากที่สุดอันนั้นนี่คือหลักการพุทธศาสนานั้นเราจะมีนัยยะทางสังคมอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติชีวิตของพระระบบวินยัยธรรมะมีทั้งนั้นเลยอย่างพุทธภาษีที่ผมยกตั้งแต่วันแรกที่พูดถึงเรื่องการบูชาใช่ไหม อย่างคนสมัยก่อนพุทธกาลนี่แกก็หวังพึ่งเทพเจ้าอยากให้เทพเจ้าบรรดาโน้นบรรดา น, น, ด น, ดา น, นี้นะีแล้วแกก็ไปบวงสรวงอ้อนวอนบูชาเทพเจ้านะีใช้เครื่องเส้นต่างๆมากมายบางทีก็ไปบูชาไฟตลอดชีวิตนะีอยู่ในป่าพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่ า, วาเอกาหังก็ขอภัยเนะีเอกันจะภาวิตตตานังพระมุหุดตมปูเฉย สาเยวะปูชนียสยโยยันเจวัสะสตังหุตังบอกว่าบูชาคนที่ฝึกตนแล้วเพียงครู่เดียวดีกว่าเส้นสวงเทวดาตลอดเวลาร้อยปีว่าอย่างนี้เลย น, ะนี่ทําไมพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นคนยุคนั้นไปหวังพึ่งเทพเจ้าก็ไปมีความสัมพันธ์กับเทพเจ้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับเทพเจ้านะแล้วก็หวังประโยชน์ แก่ตัวเองคราวนี้เราไม่เอาใจใส่เลยว่าตัวเองจะต้องทําอะไรไม่เอาใจใส่กันและกันในหมู่คนที่อยู่ร่วมกันในสังคมที่จะมารับผิดชอบช่วยเหลือเกื้อกูลมาคิดการร่วมกันแก้ปัญหาใช่ไหมเพราะไปฝากเรื่องให้เทวดาคิดแก้ปัญหาแล้วนีนะ่อะไรอะไรก็อยู่ที่เทวดามนุษย์ก็ไม่ต้องเอาใจใส่กันไม่ต้องมาร่วมกันแก้ปัญหาอันนั้นสังคมอย่างนี้จะเป็นยังไงนะสังคมอย่างนี้ในหมู่มนุษย์เองสังคมแย่ ตัวเองก็หวังพึ่งสิ่งอื่นอำนาจภายนอกมาช่วยนะไม่พัฒนาตัวเองอ่อนแอลงไปเสร็จแล้วในหมู่มนุษย์ด้วยกันก็ไม่เอาใจใส่ดูแลกันสิใช่ไหมแต่นี้ด้วยระบบที่ว่าเรามายกย่องคนดีเนี่ยใจเรามาอยู่ที่มนุษย์ด้วยกันแหล ะ, ะดูว่ามนุษย์คนไหนทําดีถูกต้องประพฤติตามธรรมเอาใจใส่ยกย่องกันใช่ไหมเกิดค่านิยมที่ดี มนุษย์ก็มาร่วมมือกันในการแก้ปัญหาเข้ากับหลักการที่ไม่โม่ไปพึ่งอํานาจโดนบรรดาลเทพเจ้าเมื่อไม่ไปพึ่งอํานาจโดนบรรดาเขาเทพเจ้าก็ต้องคิดการว่าเราจะแก้ไขให้ปัญหาจะต้องทําอย่างไรใช่ไหมและพร้อมกันนั้นก็มีคติยกย่องคนดีก็มาเอาใจใส่กันในหมู่มนุษย์มาร่วมกันแก้ปัญหาอ่มาหมูม่มนุษย์เองก็จะพัฒนากันไปได้ น, นี่เพราะฉะนั้นคติแม้แต่อย่างง่ายๆเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อ้าวทีนี้ก็ มาดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับประชาชนต่อทีนี้ว่าในเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เลยมีความสัมพันธ์ว่าให้มีการให้ต่อกันการให้นี่เรียกว่าทานใช่ทานการให้ก็เลยแบ่งเป็นสองอย่างหนึ่งอมิสสถานการให้อามิสวัตถุสองธรรมทานการให้ธรรม นี้เวลาพูดกันเรื่องทานเนี่ยเรามักจะนึกถึงอามิสสถา น, นแล้วก็นม น, นึ ก, กว่าชาวบ้านเนี่ยต้องถวายทานแก่พระสงฆ์ลืมไปว่าที่จริงเนี่ยพระสงฆ์ก็ต้องให้เหมือนกันนะพระสงฆ์ก็ต้องบำเพ็ญทานแก่ประชาช น, เ, นเราไปมองว่าอ้อชาวบ้านถวายอาหารปัจจัยสี่พระสงฆ์ก็เป็นปฏิฆาหกปฏิฆาหกเ็ผู้รับนมองไปเลยๆนานๆาก็จะฉินนึกว่าตัวเองเป็นผู้รับมีหน้าที่รับ ความจริงน่ามีหน้าที่ต่อกันท่านเรียกว่าอุโพอัญโยยนิสิตตาทั้งสองฝ่ายต้องอาศัยซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างให้ชาวบ้านให้วัตถุปัจจัยสี่แล้วพระภิกษุก็ให้ธรรมะใช่ไหมหน้าที่ของพระคืคอให้ธรรมะถ้าด้วยประการาชนี้ให้ซึ่งกันและกันอาศัยซึ่งกันและกันก็จะทําให้ชีวิตร่วมกันเนี่ยเป็นไปได้ดีแต่ละคนก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปนะ โดยอาศัยความเกื้อกูลซึ่งกันและกันอันนี้พระพิสูก็มีหน้าที่ให้ทำเป็นอันว่าชาวบ้านให้อามิตรมีหลักวิัยการมากไม่ให้พระนี่รับมากใช่กลัวว่าพระจะไปเบียดเบียนทำให้ประชาชนเดือดร้อนเอาแค่ตัวเองอยู่ได้ให้ร่างกายอยู่ได้อาชีวิตเป็นอยู่ได้แต่จุดหมายคือว่าพัฒนาตนเองอาศัยวัตถุปัจจัยมาเป็นเครื่อง เลี้ยงชีพพอเป็นชีพอยู่ได้แล้วก็ไปพัฒนาชีวิตของตนเองแล้วก็มาเอื้อธรรมะแก่ประชาชนก็พอได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติจากการเรียนรู้ก็นําเอามาเผยแพร่ให้แก่ประชาชนก็มาสั่งสอนมาแนะนําการดําเนินชีวิตที่ดีงามอ่าพราฉนัการให้ทำก็เป็นหน้าที่สําคัญของพระสงฆ์ในความสัมพันธ์กับประชาชนนะก็ต้องถือหลักนี้เป็นหลักใหญ่แต่การให้ทำนั้นเรามักจะมองในแง่ว่า ต้องไปพูดไปสอนไม่จำเป็นการให้ทำให้โดยพูดก็ได้ให้โดยไม่ต้องพูดก็ไดนะ้พระทุกองค์ไม่ได้มีความสามารถในการพูดเหมือนกันหมดนะหนึ่งแล้วนะบางองค์นี่ทั้งทางที่ตัดสรู้เป็นพระอราหันต์แล้วก็สอนไม่เป็นนะเป็นอย่างกับพระปฎิกับพุทธเจ้านะสอนคนพูดไม่ค่อยได้ความทีนี้ นอกจากนั้นบางองค์บวชมาไม่นานยังไม่ได้เรียนรู้เท่าไหรไม่มีประสบการณ์ก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปสอนใช่ไหมแล้วทําไงจะให้ทำอะนะธรรมะหนึ่งธรรมะที่เกิดความรู้ความเข้าใจเห็นความจริงทั้งสิ่งทั้งหลายใช่ไหมหรือธรรมะคือตัวกุศลธรรมความดีงามที่เกิดขึ้นแม้แต่ในจิตใจตัวเองใช่ไหมจิตใจผ่องใสจิตใจเป็นบุญเป็นกุศล น, นะ ไม่มีความเศร้าหมองเกิดมีศรัทธามีความอิ่มใจก็กุศลเกิดขึ้นแล้วเป็นธรรมแล้วเนะี่ยนี่ถ้าพระมาแล้วทําให้โยมเนี่ยเกิดมีกุศลธรรมในใจก็ให้ทำแล้วใช่มแม่ไม่ต้องพูดอันนั้นก็เลยเน้นว่าให้พระสงฆ์เนี่ยมีลักษณะที่แม้แต่ปรากฏตัวขึ้นที่ไหนก็ทําให้บํารุงจิตใจประชาชนได้พูดไปเมื่อเช้าแล้วว่าไอ้ตัวสําคัญในจิตใจของประชาชนที่พระจะให ต้องพยายามให้เกิดคือปสธธัสสะทะความพ่องใสความพ่องใสของจิตใจนี้เป็นสภาพที่ดีอย่างยิ่งเป็นสุขภาพจิตพื้นฐานเลยนะเพราะว่าพอจิตใจมันพ่องใสบันเทิงชุ่มชํำสดชื่นแล้วก็มันดีไปหมดความสุขก็มานะกำลังกายกํำลังใจก็มีมาฉะนั้นเวลาพบกับพระก็ลักษณะของพระที่ดีก็จะทำให้ญาติโยมไดเกิดปสสทะความพ่องใสชื่นบานของจิตใจ ในนี้ความผ่องใสเลือดท่านแปลกันมาว่าเลื่อมใสภาษาธาเนี่ยมันจะมีสมขั้นตอนภาษาธาขั้นที่หนึ่งก็คือว่าเกิดความชื่นบานผ่องใสยอย่างที่ว่าเป็นภาวะในจิตใจขึ้นมานี่นี่เป็นภาวะที่ดีและเป็นกุศลสองเกิดความสัมพันธ์กับภิกษุหรือบุคคลที่เป็นต้นแหล่งแห่งสภาพจิต ที่เกิดขึ้นในตัวเองอันนี้ใช่ไหมหมายความเป็นผู้ทำให้ตัวเองเกิดประสาทะก็จะเกิดมีความรู้สึกที่อยากเข้าไปหาตัวนี้จะเป็นตัวต่อโยงให้เขาเข้าไปหาเพื่อขอธรรมะถ้าเขามีความชอบศึกษาอยู่แล้วเขาก็จะไปถามว่าเอออยากจะรู้มีข้อสงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้นะหรือแม้แต่เขาเข้าไปหาภิกษุก็ได้โอกาสที่จะสอนใช่ไห เนี่ยที่จะอธิบายธรรมะในทักทายปราศัยยิ่งขึ้นไปขั้นที่สเขาแสดงอาการของผู้เลื่อมใสเนี่ยตอนนี้พระมังจะมาเอาที่จุดนี้ซึ่งอาจจะเสียก็คือว่าเพราะเขาเสื่อมใสเขาก็อยากจะขอบคุณคล้ายๆอย่างนั้นหรือว่าทำอะไรจไังใดอย่างหนึ่งเพื่อแสดงถึงความที่ไรๆแค่ว่ายอยากจะแสดงออกว่าเลื่อมใสศรัทธาในท่านเอาของถวายเอาปัะจัยเสียเอาอาหารถวาย อันนี้ถ้าเรียกว่ า, าการแสดงอาการของผู้เริ่มใสเรามักจะมองเรื่องความเริ่มใสไปที่แง่ที่สามกลายไปว่าพระมองก็จะได้แล้วนะที่จริงไม่ใช่ตัวสําคัญคือสภาพจิตของเขาเนี่ยที่ต้องต้องเพ่งเล็งต้องเน้นสําคัญว่าทําไงจะให้เขาเกิดสภาพจิตอันนี้ซึ่งเป็นกุศลกับตัวเขาเองเพียงเขาเกิดปัสสาทะใจเขาดีนี้ เป็นบุญมหาศาลและเป็นคุณค่าที่ประเสริฐสุดแล้วใช่ไหมในชีวิตต่อจากนั้นเขาจะมาหาก็ได้ธรรมะยิ่งขึ้นไปส่วนเขาจะแสดงอาการผู้ร่อมใสถวายปัจจัยหรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่าไปคำหนึ่งนะฮะอย่าไปติดเทียนนั้นอา้าวทีนี้ก็ไปอันว่าพระนี่สามารถให้ธรรมะแม้ไม่ต้องพูดก็คือปรากฏตัวเมื่อพระประพฤติตัวดีอย่างพระสัจใช่ไหมเป็นเบญจวัขี สาวกชุดแรกของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าโปรดได้บรรลุอรัตผลเสร็จแล้วก็ท่านก็ออกจากริกไปวันหนึ่งท่านก็เดินทางไปในเมืองราชครึกนะฝายอุปติสสะปริพาชกซึ่งต่อมาเป็นพระสารีบนะุตรเนี่ยเป็นนักบวชอยู่ในสำนักของสนชัยนะก็แสวงหาโมกขธรรมก็คือหมายความว่าต้องการที่จะ หาทางหลุดพ้นน่ยต้องการที่จะรู้ธรรมะความจริ ง, งต่างๆก็คนพาแสวงหามาก็ไม่เจอสักทีก็มาเห็นพระสัชชีนวันนั้นก็มาเผอิญไปเจอเห็นท่านสัชชีเดินเนี่ยแค่เห็นพระสัชชีเดินในปัสสะะเกิดเลยนะเกิดความเลื่อมใสจิตใจผ่องใสเอบอิ่มชุ่มชื่นชื่นบานขึ้นมานะีก็มองว่าท่านภู้นี้ต้องมีอะไรดีใช่ไหมนี่ ความสัมพันธ์เกิดขึ้นแล้วก็อยากเข้าไปหาอยากไปถามสื่อนำก็เกิดขึ้นแหละใช่ไหมเนี่ยผู้ที่บรรลุธรรมบำเพ็ญตัวเรียกว่าฝึกอบรมตนดีแล้วนก็ทำให้เกิดสภาพจิตที่ดีงามให้ธรรมะแก่ท่านผู้อื่นแม้โดยไม่ต้องพูดนี่เมื่อพระ ส, สารีบุตรคืออุอปติสสะบริพาชกได้เข้าไปหาก็ไปถาม ท่านเนี่ยบวชอุทิศใครเป็นลูกศิษย์ใครใครเป็นาศาสดาของท่านาศาสดาของท่านสอนว่าไงใช่ไหมอ่าแล้วก็เลยพระสารพระสจิก็แสดงทําให้ฟังเพียงสั้นๆได้ความถ่อมตนทำให้สาริบุตรนี่ได้บรรลุโซดาปฏิผลเนี่ยเรื่องก็เป็นมาอย่างเนี้ยอันนั้นจึงเน้นความสำคัญว่าพระภิกษุเนี่ยเพื่อเกื้อกูลต่อชาวโลก เพื่กูนตั้งแต่สภาพจิตของเขานะก็ประพฤติปฏิบัติตนให้ดีอยู่ในศีลนะอยู่ในภาวะขขาบุคคลที่ฝึกอบรมตนดีเมื่อปรากฏขึ้นที่ไหนปรากฏตัวขึ้นที่ไหนก็ให้ทําหน้าที่นั้นแม้โดยไม่ต้องพูดใช่ไหมดัง น, นั้นประชาชนเห็นพระเมรัยก็ให้เขาได้ความสบายใจความชื่นบานความฟ่องใสของจิตใจอันนี้นิการที่จะได้พบปะบ่อยที่สุดก็คือในพิธีกรรม นอกจากบิดา บ, บาตเวลาไปในพิธีนี้โบราณหรือตามหลักการจึงได้เน้นให้พระได้ได้สำรวมตนเองนการที่ปรากฏตัวก็ตามการที่จะสวดมนต์การประกอบพิธีกรรมต่างๆเนี่ยให้มันเป็นสื่อแห่งภาษาธาความดีงามสภาพจิตที่เป็นกุศลกับประชาชนตั้งใจว่าทำไงเราจะทำทุกอย่างเนี่ย แม้แต่การแสดงออกของเราการพูดการจาการสวดของเราเนี่ยให้เกิดผลดีแก่จิตใจประชาชนไม่ใช่สวดเป็นเล่นสวดสักตวัดสวดเรื่อยเปื่อยไปต้องสวดโดยตั้งใจโดยมุ่งหมายอย่างที่ว่าก็ไปอ่านว่าเนี่ยความสัมพันธ์ของพระกับประชาชนถ้าทำอย่างนี้ได้ก็พระสงฆ์ก็จะเป็นแหล่งที่ดำรงไว้ซึ่งธรรมะให้แก่สังคม เป็นแหล่งที่บำรุงจิตใจประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะนำเอาความสุขความรื่นรมความเบิกบานใจความองใสามาให้แก่สังค ม, มอันนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นหลักให้แก่สังคมอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างคำโบราณที่บอกว่าอะไรมี ชั้นของท่านนรินทิเบตนะที่พูดถึงเรื่องวัดวาอารามนะเสียงระฆังขานเห็นพระภิกษุอะไรต่างๆเนี่ยท่านใช้คำว่าฝึกฟื้นใจเมืองว่างั้นนะคนในเมืองนี่วุ่นวายก็อะไรเรื่องธุรกิจเรื่องการบีบรัดในชีวิตใช่ไหมได้เห็นพระสงฆ์ทีก็ชื่นใจพระสงฆ์นี่ก็จะเป็นตัวโยงสังคมให้ถึงธรรมชาติอยู่เรื่อยๆในแดงนึงนะ เขาว่ามนุษย์ในสังคมนี้จะมีโอกาสที่จะห่างเหือจากธรรมชาติอยู่เสมอพระสงฆ์นี่เป็นตัวแกนกลางเป็นศูนย์กลางเป็นสื่อกลางที่จะมาโยงคนทั่วไปเนี่ยให้ถึงกันกับธรรมชาติประสานกลมกลืนอยู่ได้ไม่แปลกแยกในด้านหนึ่งนะอีกด้านหนึ่งก็เป็นตัวประสานระหว่างรูปธรรมหรือทางด้านวัตถุ ก, กับด้านานามธรรมาจิตใจใช่ไหมอย่างน้อยให้สังคมเนี่ย ไม่หลงไปกับเรื่องวัตถุจนเกินไปมันจะเชื่อมโยงเข้าหาคุณค่าสาระที่แท้จริงของชีวิตในด้านนมามธรรมได้นะจงกระทั่งว่าในที่สุดก็คือนำปัญญามาให้แก่เขาให้เขารู้เข้าใจถึงความจริงของกฎธรรมชาติอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดที่จะให้แก่ประชาชนได้นะก็เลยพระภิกษุก็เลยทำหน้าที่อย่างนี้ความสะพานที่ทาให้เกิดปสัสสทะ เสร็จแล้วถ้าเป็นพระที่ดีต่อไปอย่างพระอรหันเนนะก็จะมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นพาวนีโยเป็นมโนพาวนิโยมีคำว่ามโนอยู่เลยมโนพาวนีโ ย, โยเหตุหนึ่งที่ทำให้พวกชาวบ้านไปหาพระพุทธเจ้าไปหาพระสงฆ์ก็เพราะว่าเขาได้ไปพบพระภิกษุผู้เป็นมโนพาวนิโยหรือพูดสั้นๆก็ตัดตัววิพัต ทางไวยากรณ์ออกก็เหลือมโนภาวณีมโนภาวนียะเนะี่ยการัญญะก็เหลือมโนภาวณีแปลว่าผู้เป็นที่เจริญใจนะมีอุบาสกผู้ใหญ่ที่ไปที่พระพุทธเจ้าแล้วก็ปรารบถึงการที่ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานไปแล้วเนี่ยเขาก็จะยากที่จะมีโอกาสได้มาหาพระองค์แล้วก็จะได้พบ พระภิกษุเทระทั้งหลายผู้เป็นมโนภาวนีว่าไงก็หมายความว่าเมื่อพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยเป็นศูนย์กลางของพระภิกษุทั้งหลายพระเทระผู้ใหญ่ผู้น้อยใครๆก็มาหาพระพุทธเจ้าเป็นศูนย์กลางใช่ไหมภาษาริบุตรพระโมกคันลาท่านกับมิกิดเนื่องโดยพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติมารับนโยบายอะไก็แล้วแต่ก็เกี่ยวข้องเมื่อประชาชนมาเนี่ยก็ได้มาพบพระเทระผู้ใหญ่เหล่านี้ซึ่งเป็นพระสารเป็นผู้บริสุทธิ์ เป็นผูปป้ปฏิบัติดีแล้วใช่ไหมเขาก็ได้ความชื่นใจนะได้พบจะเรียกว่าภาวานีมโนภาวานียบุคคลได้พบท่านผู้เป็นที่จเจริญใจนะนี่ก็บอกเมื่อพระพุทธเจ้าปรนินิพพานไปแล้วเขาก็จะขาดโอกาสอันนี้ด้วยนอกจากว่าไม่ได้พบพระพุทธเจ้าแล้วก็จะยากที่จะได้พบพระเถระทั้งหลายผู้เป็นมโนภาวานียะผู้เป็นที่จเจริญใจเนี่ยเพราะนั้นลักษณะของพระสงฆ์ที่ดีก็ เอาละนอกจากทาหน้าที่ก่อให้เกิดประสาาัทะก็พัฒนาตนเองจนเป็นมโนภาวนีนะเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญใจนะอันนี้พระภิกษุก็ต่อไปก็ทําหน้าที่อย่างพระพุทธเจ้าปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชนเขาเรียวกว่าเป็นกาลยานามิตรพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเราเป็นกา ร, รยานามิตรของสัตว์ทั้งหลายอาศัยเราผู้เป็นกัรยานามิตรสัตว์ทั้งหลายผู้ ตกอยู่ใต้อำนาจความเกิดแก่เจ็บตายโสกกระปริเทวตุกโทมนัอุปายาตคือบรรดาทุกข์ทั้งหลายก็พ้นจากความทุกข์นั้นได้และพระพุทธเจ้าที่มาไปเที่ยวสั่งสอนประชาชนเนี่ยทำทั้งที่เป็นกัลยาณมิตรแล้พระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันพระสงฆ์ก็เป็นมิตรของประชาชนจะเห็นได้ว่าในหลักของทิศมิตรแท้มิตรเทียมเนี่ย พระเจ้าก็จะสอนให้คนในคบมิตรที่ ด, ดีให้รู้จักมิตรเทียมศัตรูผู้มาในร่างมิตรจะชักพาเราไปสู่ความเสื่อมทําให้เป็นผู้เสียหายชักพาไปกินเหล้าเมายาเล่นการพ น, นันชักพาไปเที่ยวอะไรแต่ไรขี้เกียจอะไรตึกตังคนะเสียหายก็ให้รู้จักเลือกคบมิตรที่ดีในบรรดามิตรเหล่านั้นก็มีมิตรแท้สี่ประเภทมิตรที่ดี มิตรสีประเภทก็มีมิตรชนิดหนึ่งมิตรชั้นดีเลยเรียกว่ามิตรแนะนำประโยชน์มิตรแนะนำประโยชน์ก็จะพยายามห้ามปรามยักยับยั้งจากความชั่วพยายามที่จะให้เราตั้งอยู่ในความดีแล้วก็ให้เราได้ประโยชน์ทางปัญญาได้รู้อะไรที่ดีก็ามาบอกกันให้ได้รู้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟังแล้วก็สามารถชี้แจงอธิบายสิ่งที่ได้ฟังแล้วที่ยังเคลือบแลงสงสัยให้ชัดเจนกระจ่างได้ ตลอดจกนกระทั่งบอกทางความสุขทางสวรรค์ให้เนี่ยมิตรผู้แนะนําประโยชน์แล้วลองไปดูที่หน้าที่ของพระสงฆ์ต่อประชาชนชุดนี้เลยก็คือชุดเดียวกันกับมิตรแนะนําประโยชน์ไปดูหน้าที่ของพระสงฆ์ต่อกุลบุตรอยู่ในทิศหทิศสุดท้ายที่เรียกว่าอุปริมาทิศ ท, ทิศเบื้องบนทิศเบื้องบนสมณพราหมณ์ก็ของเราก็หมายถึงพระสงฆ์มีหน้าที่ต่อประชาชนหนึ่งว่าไงหนึ่งก็ ห้าปลามยับยั้งประชาชนจากความชั่วนะสองให้ตั้งอยู่ในความดีสมให้ได้รู้ได้ฟังสิ่งที่เขายังไม่ได้รู้ได้ฟังสทํทำสิ่งที่ฟังแล้วให้กระจ่างชัดเจนแจ่มแจ้งนะแล้วก็มีแทรกข้อไมข้อหนึ่งว่าอนุเคราะห์ด้วยจิตปราถนาดนะีแล้วอันสุดท้ายก็บอกบอกทางความสุขบอกทางสวรรค์ให้ นี่คือหน้าที่ของพระสงฆ์ต่อประชาชนอันที่แทรกเข้ามาว่าอนุเคราะห์ด้วยจิตปรารถนาดีอันเนี้ยท่านกอธิบายว่าคอยนึกถึงชาวบ้านเออญาติโยมเนี่ยนะน่ยทำไงเขาจะเจริญขึ้นในความดีงามเขาจะได้ประสบสิ่งที่เป็นประโยชน์และความสุขน่ยคอยนึกอยู่เสมอหาทางให้เขาได้พัฒนาตัวเองมีชีวิตที่ดีงามมีความสุข ข, นข้นคว้าช่วยเหลือท่านยกตัวอย่างใช่ว่าเออมีพระ องโน้นนะท่านมีคุณธรรมความดีรู้ธรรมะสูงนะ่ยก็แนะนําชาวบ้านว่าให้ไปหาท่านท่านจะได้ช่วยแนะนําสั่งสอนถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ก็อาจจะแนะนําว่าเออโยมนะนะ่ยมีหนังสือดีๆหนังสือธรรมะนั้นไปอ่านกันสิอะไรนี่หรือหามาให้อะไรเงี้ยนะอย่างนี้เรียกว่าอนุเคราะห์ในความปรารถนาดีก็รวมแล้วก็คือหวังดีต่อชาวบ้านไม่คิดเอาประโยชน์จนะเขานี่มันจะคิดว่าเอ๊ะทำไงเราจะไปเรียรายเขาได้ ทำไงก็จะเอามาให้เราเท่านั้นทนิใช่ไหมแต่คิดในแง่ว่าอนุเคราะห์ให้เขาเจริญงอกงามขึ้นไปนี่คือหน้าที่การยาณมิตรนั่นเองเพราะตกลงว่าหน้าที่ของพระภิกษุต่อประชาชนนั้นตรงกันกับหน้าที่ลักษณะของมิตรแนะนําประโยชน์อันเดียวกันแต่เพิ่มเข้ามาอันนึงก็คืออนุเคราะห์ในความปรารถนาดีแต่รวมแล้วก็คือทําหน้าที่อย่างพระพุทธเจ้าที่ทรงเป็นการยาณมิตรแบบอย่าง นั้นพระสงค์ก็ทำหน้าที่อย่างเงี้ยช่วยเป็นผู้เกื้อหนุนแก่ประชาชนชักนำประชาชนให้ทางความดีงามยิ่งๆขึ้นไปนะฮะนี่เป็นความสัมันธ์ของพระสงค์ต่อประชาชนที่ว่าเราเอาประโยชน์จากประชาชนน้อยไม่เอาอะไรจากสังคมเพราะเป็นผู้พร้อมแล้วถ้าโดยหลักการแล้วเป็นผู้พร้อมที่จะไม่เอาอะไรจากประชาชนใช่ไหมจะไปอยู่ป่ากินเผือกินมันก็ได้นะ แต่ว่าคนอย่างนี้ที่บอกแล้วแต่ตนที่สังคมปราถนาเพราะคนในสังคมปัจจุบันนี้เป็นคนที่จะเอาจากสังคมแต่ตรงนั้นที่มายุ่งกันอยู่เนี่ยใช่ไหมดังนั้นคนที่เป็นอิสระไม่ต้องเอาจากสังคมคนอย่างนี้ท่านกลับผูกมัดว่าให้พึ่งพากับสังคมแล้วเอื้อประโยชน์ต่อกันนะฮ mm hmm. ะดังนั้นเมื่อปฏิบัติตามหลักการนี้พระก็จะมีลักษณะอย่างที่พูดไปเมื่อเช้านี้ที่พูดบอกว่า ยาถาปิพมโรปุปผังวันนคันทางอเหทยังปะเลติรสมาถายเอวังคาเมมุนิจเจรเนเมื่อช้าแปลให้แล้วแต่ว่าไม่ได้บอกบาลีก็บอกว่ามแมลงผู้มแมลงพึ่งเนเที่ยวไปในหมู่ไม้ไม่ทำดอกไม้พร้อมทั้งกลิ่นและสีให้ชอกช้ำ นำเอาแต่น้ำหวานของดอกไม้นำเอาแต่น้ำหวานของเกสรบินไปชั้นใดมุนีคือพระสงฆ์พึง่งจาริกไปในหมู่ประชาชนในหมู่ชาวบ้านชั้นนั้นว่างนั้นเนี่ยหลักการนี่สาคัญมากถ้าเราหยึดหลักการที่พูดมาต่ต้นเนี่ยก็ปฏิบัติตามดได้ใช่ไหมพระสงฆ์ไม่ทำให้สังคมประชาชนเขา เดือดร้อนชอบช้ำไม่ว่าจะทางรูปธรรมวัตถุเงินทองก็ตามหรือทางนมามธรรมคือจิตใจก็ตามแต่เป็นผู้บารุงจิตใจของประชาชนทำให้เขา ง, งอกงามยิ่งขึ้นเปรียบเหมือนดังมแมลงพึ่งที่ว่าพ า, าน้ำหวานพร้อมทั้งเกศสรบินไปขยายพันธุ์ให้เจริญงอกงามขึ้นนี่แหละทีนี้นอกจากนั้นแล้วเพราะว่าพระที่ท่านบนรรลุธรรมเหล่านี้ ท่านไม่จําเป็นต้องอาศัยอะไรในการฝึกตนเองแล้วนี่อย่างพระนี่การที่ไปอยู่ป่านี่วัตถุประสองค์อย่างหนึ่งก็คือเพื่ออาศัยบรรยากาศของป่าที่สงบสงัดนั้นน้อมจิตไปสู่วิเวกแล้วจะได้เอื้อต่อการที่จะสงบบําเพ็ญสมาธิทําให้จิตพัฒนาขึ้นไปเจริญจิตตภาวนาแต่พอท่านเป็นพระอราหันต์แล้วท่านไม่จําเป็นพ้นจากการฝึกแล้วอันนี้ก็จะมี วัตถุประสงค์ว่าอ้าวแล้วเมื่อไม่ต้องฝึกแล้วการถือปัญญาตปฏิบัติตามวินัยการถือข้อวัดแต่ปฏิบัติเหล่านั้นถือไปทไําไมนะก็อาจจะมีบางคนมาอ้างโอ้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ต้องถือข้อวินัยบทปัญญัติเหล่านี้ทําไงก็ได้นี่อ่ะอแลพะพอไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยบางคนไปพูดอย่างนั้นนี่นะเคยได้ยินมีญาติโยมมาเล่าถึงวัดหนึ่งบอกว่ามีพระอายุมากแล้ว ก็มีสาวๆไปนวดไปบีบอ้าวแล้วไปนวดกันยังได้งไงบอกว่าเอ้าก็ท่านไม่ยึดติดถือมั่นอะไรแล้วนี่ว่า ง, งก็เลยไม่เป็นไรวราังง้นเนี่ยวินัยนี่เป็นเรื่องของบัญญัติไม่มียกเว้นให้ใครเป็นเรื่องรูปธรรมนะหนึ่งละแต่ประการที่สองพระอรหันต์ประพฤติวินัยเพื่ออะไรเนย ไม่ใช่เพื่อประโยชน์กับตนเองหมดความจะเป็นต้องพัฒนาฝึกตนแล้วคติของพระอรหันต์มีตัวอย่างเช่นกรณีที่หนึ่งเช่นอย่างพระมหากับปินะพระพุทธเจ้าบัญญัติเรื่องสังฆกรรมอุโบสถคือการฟังปาติโมว่าวันสิบห้าพระต้องไปประชุมกันสักซ้อมวินัยพื้นฐานแม่บทในพระมหากัาบปิณนะท่าน มาลำพึงว่าเออเราเป็นอรหันต์เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเนี่ยจาเป็นจะต้องไปหรือเปล่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงตัวเลยบอกทัดเธอผู้เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ไปแล้วใครจะไปต้องเป็นแบบอย่างทีนี้กรณีหนึ่งก็ตัวอย่างที่ชัดมากก็พระมหากรส ป, ปะที่ถือทุดงมากมายหลายข้อนะตลอดชีวิตทุดงนี่มีหลายข้อนะ ธุดงนี้ชาวบ้านก็เข้าใจกันผิดนึงว่าเดินทางไปในทุดงทุดงก็คือข้อปฏิบัติที่ขัดกลาวกิเลสนะธุตตะขัดกราวกิเลสอังคะแปลองค์ประกอบหรือคุณสมบัติคุณสมบัติของท่านบุคัดกลากิเลสอ้าวพระละหันไม่ต้องขัดกราวกิเลสแล้วนี่จะต้องมาขัดกลาทําไมถือข้อปฏิบัติทุดงทําไมทุดงมีเช่นถือไตรจีวรเป็นวัดหมายความถือแค่จีวรสามผืน นะไม่เอาเกินนั้นหรือถือผ้าบางสกุลเป็นวัดเอาแต่ผ้าที่เขาทิ้งไปเก็บมาต้มมาซักมาเย็บยอมเองไม่รับจีวรข้าบดีนี่เลีกทุดงเท่านั้นนะหรือฉันอาหารบิณฑบาตเป็นวัดนะไม่รับนิมนต์ก็ถือว่าทุดงนะอย่างนี้ฉันมือเดียวก็เป็นทุดงนะข้อปฏิบัติเราเนี่ยมีสิบสามข้อนี้ พระมหากัสปะเนี่ยท่านถือตุดวงหลายข้อโดยเฉพาะข้ออยู่ป่าเป็นประจำอยู่ป่าตลอดชีวิตแต่รวมทั้งถือไตรจีวรถือผ้าบางสกุลด้วยอันนี้ท่านแก่ขึ้นมาพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งก็เลยตรัสบอกเนี่ยเธอมหากัสปะเนี่ยเธอก็อายุมากแล้วก็เอาละพรปลนกับตัวเองซะบ้างนะเพราะว่าจีวรบางสกุลเนี่ยผ้ามันหยาบมันหนักเธอก็แก่แล้ว ก็จะทําให้พระแก่ๆไปห่ผมผ้าไม่สบายแม้แต่หนักตัวมันก็ทําให้ทรงตัวไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะหรืออย่างน้อยก็รู้สึกว่าไม่สบายพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเอ้าก็ผ่อนปลนผ่อนคลายกันตัวเองมันซีมาถือรับชีวรนข้าพ บ, บดีก็ถวายอะไรต่างๆพระมหากัสปะก็ขอบพระไถยพระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านบอกท่านขอปฏิบัติอย่างนั้นต่อไป พุทธเจ้าก็ส่งได้ตรัสถามเหตุผลพระมหากัลสปะก็บอกว่าเพื่อเป็นทิฏฐานุคติเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชนรุ่นหลังเป็นแบบอย่างแก่ปัชิมาชนตาแก่ชนผู้จะเกิดตามมาภายหลังก็คืออนุชนนั่นี้นนี่คือจิตสํานึกที่มุ่งประโยชน์แก่ผู้อื่นใช่ไหมท่านไม่ได้ถือวินัยหรืออะไรเพื่อประโยชน์ตัวเองนี่ ท่านทาเพื่อประโยชน์กันส่วนรวมแล้วกัคติของพระอราหันต์ทั้งหมดทุกองค์ก็จะมีอันเดียวกันของพระศาสนาทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ว่าผูชนหิตายะผูชนสุขายะโลกาธุกรรมตายะแปลว่าเพื่อประโยชน์เกื้อกูลกันชนจํานวนมากเพื่อความสุขกันชนจํานวนมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกนะอันนี้เป็นอุดมคติเมื่อท่านมาหากรส ป, ปะท่านถือธุดง ก็รวมอยู่ในคตินี้ด้วยก็คือว่าบำเพ็ญเพื่อเป็นแบบอย่างกับชนรุ่นหลังก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจนํานวนมากนั่นเองดังนั้นจิตสํานึกในทางสังคมนี่สําคัญมากแต่มันมาโยงกับตัวบุคคลในแง่ที่ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปด้วยแล้วเขาจึงจะสามารถบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมได้อย่างแท้ จ, จริงไม่ใช่อยู่ๆก็จะเป็นบำเพ็ญประโยชน์กับสังคมเสร็จแล้วมันไม่ใช่ของจริง และตัวเองก็ไม่ได้พร้อมจริงยังเป็นผู้ที่ยังต้องเอาจากสังคมอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นในที่สุดแล้วแม้แต่จิตก็ไม่ไม่ต้องพึ่งสังคมแม้แต่ความสุขใช่ไหมเพราะคนที่เป็นปุถุชนนี่มันยังต้องหวังความสุขจากวัตถุเสพบำรุงบำเรอความสุขยังขึ้นต่อวัตถุภายนอกยังต้องหาความสุขอยู่ไม่มีความสุขภายในพอพัฒนาตัวเต็มที่เป็นพระอรหันต์ ก็เป็นผู้บรรลุประโยชน์ตนเต็มที่มีความสุขภายในตัวเองแล้วความสุขนี้ไม่ขึ้นต่อวัตถุภายนอกเป็นอิสระมันมีความสุขเป็นประจำเป็นคุณสมบัติของตัวเองตัวเองก็พัฒนาเต็มบริบูรณ์หมดแล้วท้งพฤติกรรมจิตปัญญาท่านเรียกว่าเป็นผู้บรรลุประโยชน์ตนแล้วเมื่อบรรลุประโยชน์ตนแล้วก็ไม่มีอะไรต้องทาเพื่อผู้ไม่ต้องมีอะไรที่จะต้องทำเพื่อตัวเองอีกต่อไป คนที่ไม่มีอะไรจะต้องทําเพื่อตัวเองต่อไปเนี่ยลยพร้อมที่สุดที่จะไปทําเพื่อผู้อื่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระรหัตและพระพุทธเจ้าท่านจริงบำเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนหรือเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกได้เต็มที่ตามอุดมคตินั้นเพราะพัฒนาตนเต็มที่แล้วนั้นประโยชน์ตนสูงสุดบรรลุแล้วกลับมาเอื้อต่อประโยชน์ผู้อื่นได้เต็มที่เพราะไม่มีอะไรต้องทําเพื่อตัวเองต่อไปนะ คนอย่างนี้แหละที่ที่จะทำประโยชน์ได้ดีที่สุดถ้าคนทั่วไปแล้วมันก็ต้องอาศัยการเสียสละ mm hmm. ของพระพุทธเจ้าทำไมต้องเสียสละนี mm ่ใช่ไหมท่านบำเพ็ญประโยชน์สุขกับประชาชนทำไมต้องเสียสละนี่คนที่ยังเสียสละนี่เรายังต้องยอกย่องกันอยู่เลยใช่ไหมแต่ที่จริงเขายังต้องเสียสละทำไมต้องเสียสละละ่ะเพราะแสดงว่า มีอะไรที่ตัวเองจะพึงได้แล้วไม่เอาเดี๋ยวจพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องเสียสละแล้วนะเพราะท่านเต็มมันเป็นอัตโนมัตนะินี่เมื่อต้องเสียสละก็อาจจะทําดีได้ด้วยอันหนึ่งเป็นปณิธานคือตั้งใจเช่นอย่างพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ทาความดีนะด้วยปณิธานคือตั้งใจใช่ไหมตั้งใจเด็ดเดียว ว, ว่าเราจะทําความดีนี้ไม่ยอมละยอ่อยทอดถอยสละชีวิตของเราก็ได้ เพื่อคนอื่นแต่ต้องตั้งใจเพราะพระโพธิสัตว์ก็ยังมีประโยชน์ที่ตัวต้องการอยู่ใช่ไหมยังไม่บรรลุประโยชน์ตนนี่ยัยงบําเพ็ญบารมีเพื่อจุดหมายคือการบรรลุโพธิญาณนั้นก็บําเพ็ญบารมีทำความดีอย่างเยี่ยมยอดไม่มีใครทําได้เลยแต่ทาได้ปณิธานต้องตั้งใจทต้องเสสละแต่พระพุทธเจ้าพระอระหันต์ท่านมาอย่างนั้นท่านทําความดีเป็นอัตโนมัติของท่านเองเพราะเป็นบุคคลที่บรรลุประโยชน์ตนไม่มีอะไรต้องทําเพื่อตัวเองอีก นี่คือความต่างระหว่างพระอรหันต์รวมทั้งพระพุทธเจ้ากับพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ที่ว่ายอดของคนดีแล้วนะก็ยังเป็นผู้ต้องเสียสละและต้องทำด้ปณิธานใช่นต้องอาศัยปณิธานตั้งใจมุ่งมั่นเด็ดเดียวเพื่อจะทำความดีนต้องมีอุดมการอะไรงี้นะอันนี้แหละนี่ก็เรื่องของการพัฒนามนุษย์ นะแต่หลักการอย่างที่ว่าไปแล้วนะเป็นอันว่าพระพุทธศาสนานี่มีจิตสำนึกในเรื่องสังคมตลอดเวลานะจะแสดงออกทั้งในลางหลักทมคำสอนทั่วไปและก็เรื่องวิ น, นัยแต่ว่าท่านคำหนึ่งอย่างที่ว่าสามส่วนนี้่าได้แพรกแยกจากกันไปอันขาดธรรมชาติคนสังคม พร้อมกันนั้นคนที่มีสองด้านคือคนด้านที่เป็นชีวิตในธรรมชาติและคนด้านที่เป็นบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมก็พัฒนาตัวไปตามกฎธรรมชาติมนพัฒนาตามกฎธรรมชาติสมบูรณ์แล้วเขาก็มาเอื้อต่อสังคมได้เต็มที่นี้พอเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็ไม่จำเป็นต้องอไม่จำเป็นจะต้องฝึกตนอีกต่อไป ก็ถือข้อปฏิบัติในเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นเพื่อเป็นแบบอย่างใช่ไหมแล้วได้ความเคารพส่งแล้วก็ท่านก็เลยไปเข้าคติอีกอันหนึ่งที่บอกค <c oughs> าเมวายะิวารันเยนิเนเนวายะิวาทะเลยัตถะอรหันตโตวิหารติตางภูมิรามัยกังนะธรรมดาว่าที่ทั้งหลายสถานที่มันจะรื่นลม คือไม่มีภัยนะโดยเฉพาะที่รื่นลมในธรรมชาติก็คือป่าหรือที่สงบสงัดใช่ไหมซึ่งบางทีป่าก็ไม่รื่นลมเพราะว่าเป็นที่แฝงของผู้ร้ายนะมีความน่ากลัวนะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยในที่สุดแล้วความรื่นลมนั้นะไปอยู่ที่บุคคลนะบุคคลที่กำลังฝึกตนนี่อาจจะต้องไปหาที่รื่นลมนะ พระที่กําลังปฏิบัติเนี่ยอาจจะต้องไปหาที่วิเวกที่ปลอดภัยด้วยสงบสงัดด้วยรื่นลมแล้วออกมาที่จอแจก็ไม่รื่นลมแต่สําหรับพระรหันต์บอกว่าคาเมวายะทิวารันเยบอไม่ว่าบ้านไม่ว่าป่าไม่ว่าที่ลุ่มและที่ดอนพระรหันต์อยู่ที่ไหนที่นั้นไซ้เป็นภูมิสถานอันรื่นรมหมดใช่ไหมเป็นสถานที่รื่นลมหมดเพราะว่าตัวพระรหันต์มัน ไม่มีเหตุจะไม่รื่นลมจะแล้วใช่ไหมเพราะนั้นพระอรหันต์ผู้ไกลกิเลสอยู่ที่ไหนที่นั้นไส้เป็นภูมิสถานอารื้นลมหมดน ะ, ะก็กลับมาเป็นว่าพระอรหันต์เนี่ยออกมาแล้วมาช่วยให้สังคมได้รื่นลมแม้แต่ที่ที่คนเขาพูดว่ายใช่มเขาท่านก็จะมาช่วยให้มันเกิดความรื่นลมดีงามขึ้นมานะนี่ก็เป็นการตีกลับใช่ไหมตอนแรกนี่คนที่ยังฝึกตนนี่ต้องหลบ จะความจอแจไปหาที่รื่นลมพอตัวเองบรรลุจุดหมายแล้วก็มาสร้างความรื่นลมให้แก่แม้แต่ที่จอแจนี่ก็เป็นเรื่องของการมองพุทธศาสนาในแง่ของสังคมเริ่มแต่ชีวิตของพระที่ว่ามีความสัมพันธ์ทางสังคมทั้งในชุมชนของตัวเองก็คือในสงฆ์แล้วก็กับประชาชน และความสัมพันธ์นี้เป็นไปทั้งในเชิงของวินัยบทบัญญัติที่พระ เ, ะเจ้าทรงวางไว้เป็นรูปแบบแล้วก็ทั้งในเชิงธรรมะคือหลักการที่เป็นไปสอดคล้องกับความจริงของกฎธรรมชาติก็พอสมควรนะเอาแล้วทีนี้มีอะไรสงสัยก็นนมโนถามในกรณี้้็เป็เนคาราว่าจะเป็นตนอย่างไรเนาะ ในลักษณะที่ว่าจะบรรลุประโยชน์ตนใหสูงสุดครับก็ต้องเอาหลักการนี้ไปใช้แต่ว่าต้องยอมรับความจริงว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยไม่ค่อยเอื้องใช่ไหมาะฉะนั้นชีวิตของพระภิษุเนี่ยจึงเอื้อเพราะอันเนี้ยที่กล่าวบอกว่าสัมภาโทค ร, ราวาโสแปลว่าชีวิตคลองเรือนี่คับแคบนะอภอภโกาโปัปะชาบรรปะชาเป็นเหมือนที่โล่งแจ้งว่ากั ที่หมายความว่าปฏิบัติตามหลักการนะฮะ เ, เพราะว่าชีวิตขรือหัดนี่มันพลุนพลังมันมีไอ้ภาระบีบรัดตัวอะไรต่างๆา่ความผูกพันยึดติดกับวัตถุทรัพย์สินเงินทองอะไรเข้าไปนะวุ่นวายนี่พระนี่ทำตัวให้เป็นอิสระปลอดจากสิ่งเหล่านี้ให้เหลือน้อยที่สุดจะได้ลงอย่างที่บอกว่าถ้าพระปฏิบัติตามหลักการนี้ จะเริ่มมีชีวิตที่ว่าเป็นเหมือนนกที่มีแต่ปีกสองปีกจะบินไปไหนเมื่อไรก็บินไปว่ากันนะอันนี้ก็เป็นความปลอดโปร่งทางด้านรู ป, ปรธรรมใช่ไรูปแบบส่วนความปลอดโปร่งที่แท้เป็นอิสระจริงก็อยู่ในจิตใจที่พ้นจากินเลยแม้เราจะมาอยู่ในภาวะที่ว่าไม่มีอะไรผูกมัดแต่จิตมันไปผูกมัดที่ไหนอยู่มันก็ไม่โปร่งมมันไปยึดติด ยึดติดทั้งจิตนี่จึงหนักข้าไปอีกใช่ไหมก็เกิดความทุกข์ทรมานบีบคั้นอะไรต่างๆ้งในบางบทบาทที่พระอาจจะไม่เหมาะกับสหานะ น, นะครับยกตัวยอย่างอย่างทีจะเป็นในสังคมมันต้องประกอบไปด้วย อ, อาชีพต่างๆนะครับแล้วในทานะที่พระนี่เหมาะที่จะพัฒนาหรื อ, อ, อหาประโยชน์ตนชงชื่นได้นะครับ แต่ว่าใ น, ในบทบาทในทางสัองคมอย่างอื่นถ้าอาจจะไม่เคยรู้าติดในข้ออยู่ในอ๋อ ไ, ออไม่เรื่องของยุคสมัยก็ต้องมาแบ่งบทบาทกันสิใยๆว่าบทบาทในทางนามธรรมสูงสุดนี่ไม่มีใครทําแทนได้ก็เลยสงวนไว้หมายความว่าให้มีพระไว้ทำเมื่อนั้นแล้วเดี๋ยวไม่มีใครช่วยทําให้นี่ก็บทบาทรองลงไปก็พุทธบริษัทมีสีนี่ครับให้ค้ารือหัดด้วยการช่วย ไปทําไอ้บทบาทระดับรองลงไปที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสังคมมากหน่อยใช่ไหมฮะมันถึงยุคสมัยเรื่องเกี่ยวกับการรเทศสาเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับตัวแต่นี่ชาวพุทธเนี่ยไม่ได้เคยมีการมาพิจารณาเหตุปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้เพื่อจะวางแผนจัดตั้งวางระบบของเราให้ดีใช่ไหมว่าพุทธบริษัทเรามีกันสี่เนี่ยเรามาจะจัดตั้งวางระบบให้เหมาะกับยุคสมัยอย่างไรเพื่อให้ หลักการของพุทธศาสนาและจุดมุ่งหมายเนี่ยมันเป็นไปได้ไ ด, ด้ีใช่ไหมอันนี้มันต้องรู้จักปรับสิพระพุทธเจ้าเป็นนักวางแผนจัดตั้งวางระบบให้แล้วใช่ไหมจนประสบความสําเร็จแล้วเสร็จแล้วพระสงฆ์รุ่นหลังมาเนี่ยไม่ได้เอาแบบอย่างของพระองค์มาใช้เลยนพระพุทธเจ้านอกจากค้นพบธรรมะแล้วเป็นนักจัดตั้งวางระบบที่ยอดสุดนะจัดตั้งวางระบบ ที่เป็นหลักฐานสําคัญก็คือสังฆะ ส, สงฆ์นี่ซึ่งตะวันตกยอมรับเลยว่าสงฆ์ในพุทธศาสนาเป็นองค์กรที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกไม่เคยมีองค์กรไหนองค์กรจัดตั้งอะไรไม่เคยมีอายุยืนยาวอยู่ได้อย่างสังฆะในพุทธศาสนาตั้งไปได้พักหนึ่งหมดตั้งไปได้พักหมดไม่มีองค์กรไหนยืงยังยืนอยู่ องค์กรนี้อายุยืนที่สุดในโลก <laughs> อ้าวยังยังในกรณีถ้าเป็นรูปธรรมนะอย่างในกรณีของพวกนักพระนักพัฒนาอย่างเงี้ยนะครับครับในการจัดองค์กรครั้งแรกเนี่ยพวกชาวบ้านเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจถูกพเราทำได้แค่ไหนอย่างเช่น เราเข้าไปช่วยเข า, เาให้มากที่สุดนะครับหมายว่าแล้วโดยเฉพาะอย่างเรื่องบัญชีเรื่องพวกตัวเลขพวกอะไรเนี่ย เ, าเขาไม่ชำนาญแน่เราทำได้แค่ไหนครับตัวพุ่งงานบางอย่างถ้าไม่ผิดวินัยก็ทำแต่ว่าต้องมีเป้าไว้คือมีขั้นตอนว่า เราจะฝึกชาวบ้านขึ้มารับภาระนี้ไปนะไม่ใช่ว่าเราจะทาไม่ใช่ให้พระทำตลอดนี่สำคัญมากเพราะมิฉะนั้นแล้วจะกลายเป็นพระเนี่ยเข้าไปยืน่นลึกหรือเลยมากเกินไปในขอบเขตของบทบาทของขรือหัดคือเขาขายครุกคลีใช่ ไ, ไหมครับ่านคุกครีนี่ก็ก็ยังต้องระวังอยู่แล้วนะถึงแม้ไม่คลุกคลีก็ต้องระวังยังไม่ถึงขั้นคลุกคลีก็ต้องระวัง ว่าบทบาทอันใดควรจะเป็นบทบาทของพระบทบาทอันใดเป็นบทบาทของครือขันแต่ในเมื่อครือขันเนี่ยตกอยู่ในความประมาทมานานเอาว่างาั้นกันละกันนะปล่อยปลาแล้วเลยไม่ได้เอาใจใส่นะก็อยู่ในภาวะเสื่อมโทรมไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นจะเริ่มต้นยังไงพระมีความรู้เข้าใจดีกว่ามีเจตนาดีกว่าก็เข้าไปช่วยอย่างน้อยก็ดึงเขานำทางเขา ในตอนที่นำทางดึงเขานี่อาจจะต้องไปทําอะไรบางอย่างเพื่อให้เขาได้รู้จักแล้วเขาก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ทําแต่เราจะตั้งใจไว้เลยว่าบทบาทเราเนี้ยเราต้องการให้เขามารับไปนะเราก็ฝึกเขาเพอเขาเป็นแล้วให้เขาจัดการก็วางระบบแบบแผนขึ้นมานอันนี้สําคัญว่าะมิฉะนั้นพระจะพลนไปอยู่กับบทบาทที่เลยขอบเขตเขาตัวเองมากเกิน วเวลานี้การพัฒนาเนี่ยเป็นดาบสองคมนะมีทั้งแง่ดีและแง่เสียไม่ไม่ไม่ดูว่าเราแบเป็นการรับใช้ครับก็เราต้องไม่ต้องระวังอย่าไปรับใช้สิเพราะนี้ถือว่าเป็นการทําของส่วนรวมนะไม่ใช่ไม่ใช่รับใช้คฤะลือหัดคนใดคนหนึ่งนี่ทําเพื่อชุมชนทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมใจตั้งๆงไวอย่างนั้นเมื่อาทาอย่างนี้แล้วมันก็ทํากิจช่ส่วนรวมนะ แล้วเราก็แบบฝึกบุคคลเข้ามารับใช้ส่วนรวมวันนี้ใช่ไหมไม่รับใช้อะถ้าทำทำให้<ม>ถูกทําให้ดีอคืออย่าไปถึงการไปทําบทบาทที่ว่าไปอะไรไปเป็นคนของเขาที่เขาจะใช้งานอย่างนั้นนะไหนทําแทนเลยใช่ไหมทำอะไรนั้นเนื้อสัตว์ที่ว่าไปทาแทนหน้าที่เลยอย่างเช่นอันนี้ก็คงจะไม่ใช่หน้านที่ของพระ จะเรียกว่าทําแทนบางทีมันก็พูดยากหมายความว่าหน้าที่นี้ยังไม่มีใครทําแต่เราไปริเริ่มขึ้นเพื่อให้งานเป็นไปนได้ถ้าไม่มีการทํางานอันนี้้เรื่องของชีวิตดีงามของเขาประโยชน์ส่วนรวมของเขามันก็ไม่เกิดเราก็เลยต้องไปเริ่มให้แล้วก็ไปสอนเขาแล้วนี่ฉันทําให้ดูนะบอกแนะนํากันไว้ก่อนการชี้แจงพูดให้เขาใจชัดใจอย่างนี้มันก็ทําให้ มันมีความกระจ่างในเรื่องขอบเขตของบทบาทใช่ไหมเขาจะมาเข้าใจเราไม่ได้ไปรับใช้เปน็นอันครับไม่ <c oughs> ผมหมายถึงว่าคือญาติโยมจะไม่พวกข้าราชกาจะไม่ไม่ทราบรวินัยข้อนี้นะครับแต่หมายความว่าพระกันเองจะไม่ไม่ไม่ปรับนะครับว่าเพราะถ้าทําแบบนี้นี่น่าโอยอย่างนี้น่ากลัวพระองคนี้ไปรับใช้ชุมชนนี้เพื่อยงก็ต้องทําอันนี้ให้ชัดว่า เราเนี่ยกำลังนำประชาชนเพื่อไปสู่จุดหมายนี้บทบาทนี้ของพระเป็นการทาบทบาทนำประชาชนไปสู่งานของเขาที่เขาจะต้องรับทำต่อไปใช่ไหมไม่ใช่ว่ากลายเป็นผู้ไปทาให้เขาถ้าอย่างนั้นเขาก็เอาได้เลยใช่ไห้วกลายไปว่าอ่านี่ท่านไปรับใช้เขาแหละนะต้องให้ชัดในเรื่องความเป็นผู้นำทางพระเป็นผู้นำนี่ใช่ม นำในเรื่องสติปัญญานำนเรื่องจิตใจนะก็ให้ความรู้ความเข้าใจพัฒนาเขาขึ้นมานะอ้าวมีอะไรไหรมครับยังพระไปเ ป, เป็นเพี้เน้ า, าวบานก็ทำทางก็ท ำ, ทำด้วยใส่ ส, สบมบูไปเฉยๆแบกหามรวมก็เข้ามัน เนี่ยมันออกจะเลยะเลยต้องระวังคที่ที่ผมที่ผมปฏิบัติอยู่ก็คือผมก็จะสอหนพี่นายด้วยอว่ายัางบางทีญาโยมไปให้ช่วยปลูกต้นไม้อะไรเนี่ยผมก็บอกเขาว่ากิจจิตร่าเนี่ยขุดดินอะไรก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้มันก็มันก็ไม่มีต้นไม้อันนี้ถ้าโยมอยากได้ต้นไม้เพื่อที่ให้มันเป็น ป, าป่าอะไร กมช่วยกันแต่พระเองทำทำไม่ได้ต้องบอกเข า, เขาก็บอกให้เขาชัดคือพระเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธานะไม่ต้องไปทำอะไรละเป็นนั่งอยู่เท่านั้นแหละโหประชาชนมีกำลังกันเลยมาทำงานทำการมาขุดถนนมาอะไรแต่ไหท่านก็เพียงแต่เพียงเป็นนั่งเป็นประธานให้ใช่ไหมะน่ะ